ทำทานมาเป็นปีไม่เห็นรวยขึ้นถามทำทานมาเยอะแล้วเป็นปีๆเลยนะแต่ทำไมไม่เห็นรวยสักทีครับตอบก่อนอื่นต้องเห็นภาพกว้างที่สุดอย่างนี้ครับความรวยที่มั่งคั่งและมั่นคงแต่แรกเกิดมักจะมาจากการมีทา น, นาจิตยิ่งใหญ่สม่ำเสมอในอดีตชาติ กล่าวคือถ้าชาติใดมีความคิดเสียสละมีความคิดอยากให้ทรัพย์แก่คนยากมีเจตนาทำนุบำรุงสมณะนักบวชให้อยู่ดีมีสุขในการประพฤติพรหมจรรย์โดยทำเรื่อยๆตามควรแก่ฐานะบุญจะสั่งสมเป็นกองภูเขาอีกทั้งจิตใจจะเปิดกว้างไม่ตรนีคับแคบซึ่งรวมรวบยอดแล้วพอสิ้นสุดภพนั้นกรรมก็จะเลือกสรรแดนเกิดใหม่ให โดยมีความสบายรับกับจิตที่ปราศจากโลภะเมื่อเลือกที่เกิดให้ก็ยังไม่หมดแรงส่งเพราะทานที่ทำทั้งชาติมีกำลังใหญ่สายป่านยาวจึงส่งแรงอุดหนุนให้มั่งคั่งสม่ำเสมอเนิ่นนานโอกาสร่วงหล่นจากบัลลังเพชรบัลลังพลอยนั้นยากยิ่งส่วนคนที่รวยปานกลาง แล้วต่อมาประกอบธุรกิจจนร่ำรวยยิ่งใหญ่เป็นอภิมหาเศรษฐีนั้นมีเหตุปัจจัยในปัจจุบันเป็นหลักตั้งและมีบุญจากการให้ทานในอดีตเป็นส่วนเสริมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทานที่เคยทำในอดีตชาติเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่กำลังประกอบอยู่ในปัจจุบันเช่นอดีตเคยทำขนมถวายพระด้วยใจปรารถนาให้พวกท่านลิ้มรสดีๆเป็นประจา แล้วชาติปัจจุบันมีความชอบใจประกอบธุรกิจทำขนมก็จะเป็นผู้มีความฉลาดเลือกเครื่องปรุงฉลาดแต่งรถกับทั้งมีโชคด้านการตลาดทำมาค้าขึ้นเรื่องชื่อลือชาในฝีมือทำขนมชนิดที่ใครๆก็ต้องแห่มาที่ร้านไม่ขาดสายแต่ถ้าชาติปัจจุบันเลือกจะเป็นลูกจ้างบุญที่เคยทำขนมถวายพระก็ต้องเก็บไว้ก่อนเป็นต้น สำหรับคนที่ยากจนมาแต่เกิดคิดทำงานเป็นลูกจ้างก็ไม่ค่อยได้เลื่อนขัน้นเลื่อนเงินเดือนคิดลาออกมาเป็นท่อแก่ก็เหนื่อยสายตัวแทบขาดโดยไม่มีกำไรงอกเงยสักทีอันนี้อาจจะขาดแรงส่งจากการทำทานในอดีตชาติและอาจจะขาดความคิดอ่านหรือมุมมองเชิงธุรกิจในชาติปัจจุบันนอกจากนั้นยังมีความเป็นไปได้ว่าอดีต อาจช่อบฉนคดโกงคนอื่นไว้หรือลักขโมยคนอื่นไว้มากชาตินี้เมื่อคิดมีทรัพย์เป็นของตัวเองจึงอาจถูกหลอกถูกโกงหรือถูกภัยธรรมชาติย่ายีเอานี่พูดอย่างเป็นกลางกลางตามเนื้อผ้านะครับหากโดนใครก็โปรดอย่าเสียอกเสียใจเลยรู้เหตุรู้ผลแล้วก็จะได้ไม่ย่ำซ้ำรอยเดิมอีก เมื่อมองภาพใหญ่ให้ได้สามระดับคร่าวๆข้างต้นแล้วคราวนี้วกกลับมาถึงคำถามว่าทำไมทำทานในชาติปัจจุบันมาเป็นปีไม่เห็นมีผลเป็นความร่ำรวยปรากฏสักทีอันนี้ก็พอจะตอบได้ว่าเพราะเหตุปัจจัยในปัจจุบันยังไม่เพียงพอทั้งแง่ของความฉลาดหาเงินและทั้งในแง่ของลำดับการให้ผลกรรมเกี่ยวกับทาน ขอจงอย่าไปยึดผิดๆว่าฐานในปัจจุบันเป็นเหตุผลเดียวโดดๆที่ทำให้ร่ำรวยขึ้นได้ทันทีเพราะฐานที่ทำในปัจจุบั น, นชาติมักมาในรูปของกำลังหนุนไม่ใช่หัวรถจักรฉุดดึงฐานะทางการเงินถ้าอาดีตใครเคยตรหนีมาทั้งชาติกระแสะความตรหนีนั้นยังท่วมทน้นยังบีบให้อยู่ในพบที่คับแคบ ยังไม่หมดเวลาให้ผลมาชาติปัจจุบันถ้าไม่มีเงื่อนไขไม่มีแรงส่งให้ถีบตัวหนีการเกาะกลุ่มของวิบากเกา่าอย่างเนี้ยแม้พยายามทำทานก็อาจยังไม่เห็นผลเป็นความร่ำรวยเร็วนะัก